ขอากาบบูชาคุณหลวงพ่อคำเขียนขอาการผ้าจานใบาสารครูบาอาจารย์ทุกท่านเพื่อสรัทธามิกเจริญพรอย่งแม่ชีและญาติโยมทุกคนวันนี้อาตมาก็จะขอเสนอเรื่องลาองหลวงพ่อที่อาตมาทำในเฟซบุ๊คตั้งแต่หลวงพ่อป่วยจนถึงวันมรณภาพคือจะมาเล่าให้ญาติโยมฟังเพราะอาตมาเนี่ย ได้ถ่ายภาพหลวงพ่อไว้แล้วก็เสนอข่าวหลวงพ่อลงในเฟซบุ๊กตลอดช่วงที่หลวงพ่อเริ่มป่วยใหม่ๆก็จะมีอาจารย์โน้ตจะส่งรูปมาให้ทางไลน์ช่วงที่มีครูบาอาจารย์หรือสถายธรรมมาเยี่ยมอันมาก็จะนํารูปที่อาจารย์โนธส่งมาให้เนี่ยมาโพส์ซึ่งก็เป็นระยะระยะนานๆนานๆได้รูปหนึ่งเพราะที่ลงพยาบจุฬาจะมืด แล้วแสงในการถ่ายภาพก็พอๆกันพอแต่ก็มีผู้คนมากมาย ส, สนใจข่าวของหลวงพ่อจะมาให้กำลังใจและขอให้หลวงพ่อหายป่วยไวๆซึ่งถ้าไปดูนะทุกคอมเมนต์จะมีเกี่ยวกับเรื่องนี้แทบๆแบนั้นเลยมีแต่ขอให้หลวงพ่อหายป่วยให้กำลังใจสู้ต่อไปที่อามาเสนอข่าวชัดเจนก็คือช่วงที่กลับมาวัดผุขอทองซึ่งวันนั้นมียติธรรม มาต้อนรับหลวงพ่อมากมายอาทิเช่นากกอาจารย์กำพลครูบาจารย์วัดต่างๆหลวงพ่อกับวัดผู่หทองวันพุธที่26มีนาคม2557ช่วงบ่ายซึ่งวันนั้นญาติญาโยมและชาวบ้านทำมาไฟหวานดีใจกันมากต่างมารอต้อนรับกันคือก็ค่อนข้างจะคึก ค, คักอะ่ะวัดผู่วทองวันนั้นอัฐมาก็ไปรอถ่ายรูปด้วย ก้าวแรกที่เปิดประตูรถออกมาเนี่ยหลวงพ่อมากับรถโรงพยาบาลชัยภูมิก็มีอาจารย์ตุ้มนั่งนั่งมากับหลวงพ่ออาจารย์ตุ้มจะคอยดูแลหลวงพ่อพอประตูรถเปิดก็จะเห็นภาพหลวงพ่อยิ้มแย้มแจ่มใสอาจารย์ตุ้มก็ยิ้มม า, มาถ่ายรูปไว้ในเฟซบุ๊กเนี่ยไปดูได้เพราะว่าภาพเหตุการณ์เหล่านั้นยังยังบันทึกไว้อยู่หลวงพ่อค่อยลงรถแล้วก็นั่งรถเข็น ช่วนั้นรู้สึกหลวงพ่อยังมีแรงอยู่หลวงพ่อมาถึงก็นั่งนั่งตรงที่หลวงพ่อนั่งประจําตรงนั้นอะทักยิ้มทักทายคนนู้คนนี้แล้วก็ได้ถ่ายรูปคู่กับจารย์กำพลด้วยลูกศิษย์ลูกหาเขาไปกราบกันให้กําลังใจหลวงพ่อกันซึ่งก็ถือว่าเป็นความประทับใจแล้วก็เป็นวันแรกที่เอามาได้ถ่ายรูปแบบเป็นงานเป็นการเพราะว่าช่วงก่อนได้าสายอาจารย์โนตส่งมาทางไลน์ อันนี้เป็นอัลบั้มแรกที่จะมาทํำช่วงที่หลวงพ่อป่วยคือหลวงพ่อกับวัดถุ่ขอทองแล้วต่อมาวันศุกร์ที่28มีนาคมก็เป็นครั้งแรกเปินงานที่หลวงพ่อเนี่ยมีมีกําลังเป็นจังหวะวันนั้นวั น, น, นวันนั้นตอนเช้ามาเผินไปไ ป, ไปที่นั่นพอดีก็ได้ถ่ายรูปสําคัญในชีวิตหลวงพ่อคือว่าหลวงพ่อเนี่ยเดินเดินเองได้ ตั้งแต่ตรงแถวบริเวณ ล, ลาหินโค้งอาจารย์ตู้ประขับรถก๊อปตามหลังหลวงพ่อก็เดินมาเรื่อยๆเดินชี้นู่นชี้นี่ไปตลอดทางอะเดินไปถึงสาราน้าําใสอัศมาก็เดินตามถ่ายรูปหลวงพ่อไปแถมหลวงพ่อยังยังใช้ใช้ให้อัศมาทํางานด้วยรู้สึกจย้ายต้นไม้เมื่อวันนั้นแล้วก็เดินไปที่พผู้รูปซึ่งวันนั้นเป็นวันที่หลวงพ่อเดินไกลที่สุดตั้งแต่ลามาถ่ายรูปมา แล้วก็สะพังหนึ่งหลวงพ่อก็ขึ้นรถกอล์ฟอาจารย์ตูม้มขับไปอัตมาก็ไปด้วยขับพาหลวงพ่อไปชมวัดผัวทองโดยอ้อมไปข้างหลังผ่านเมนผ่านสาระแดงแล้วก็ขับกลับอัตมาก็นำภาพเหล่านี้มาลงเฟ e b o ๊ k ซึ่งญาติโยมที่ติดตามข่าวความขึ้นไหวของหลวงพ่อเนี่ยก็ดีใจกันว่าหลวงพ่อเริ่มมีแรงแล้ว เป็นปนินมีตหมายที่ดีซึ่งแต่ละคนก็คิดว่าเออเดี๋ยวหลวงพ่อก็หายเพราะช่วงที้หลว ง, ง, งพ่ออยู่หลวงพ่ออยู่ลาเนี่ยหลวงพ่ออยู่ในห้องเล็กๆซึ่งไม่เป็นธรรมชาติเวลาแขกไปใครมาบางครั้งก็ไม่เห็นไม่ค่อยได้สัมผัสกับพระจานทร์พระาทิตเท่าไหร่หรือต้นไม้แต่มาอยู่วัดภูขอทองหลวงพ่อเริ่มมีความสุขผู้คนก็ดีใจ จะมีคนรักหลวงพ่อกันมากระบ้าชุดนี้ออกมาก็ตั้งชื่อว่าหลวงพ่อกับชีวิตใหม่พอโพสไปเนี่ยก็มีมีญาติโยมเนี่ยมา แ, แสดงความดีๆกันมากมายแล้วก็ดีใจกับที่หลวงพ่อเริ่มมีแรงสามารถเดินได้ไกลๆแต่แล้วหลังจากเหตุการณ์วันนั้นก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดไว้พ่อหลวงพ่อแทนที่จะแข็งแรงขึ้นกับซุดลง หลวงพ่อกลับหมดแรงวันแล้ววันเล่าที่อจะมาไปวัดผัวทองไม่สามารถถ่ายรูปหลวงพ่อได้เลยเพราะหลวงพ่อจะนอนอยู่ในห้องตลอดมีนานๆนสักครั้งหนึ่งมาครั้งแม่ชีพี่วิไปจังหวะหลวงพ่อออกมาชุบชั่วประเดี๋ยวว่าดาวก็ถ่ายรูปมาให้ก็มีหรือคุยมตุ๊กไปถ่ายรูปมาให้ก็มีแต่ก็ไม่สามารถสร้างเปตตาบรูปได้เพราะถือเป็นรูปฉับเฉวย แต่เร่ดีก็ไม่มีซึ่งก็ได้ลงให้แฟนเพจเนี่ยได้ชมอยู่เป็นระยะระยะถึงช่วงนี้หลวงพ่อจะป่วยหนักอาการจะหนักขึ้นเรื่อยๆตอนแรกทาให้ดีใจว่าหลวงพ่อจะมีทางฟื้นแข็งแรงจนจนันมาสามารถสร้างระเบ้ามอีกครั้งหนึ่งได้ก็ครั้งที่สามครั้งนี้ก็ตรงวันที่สุขที่หกพิถุรณาโยนสองห้าเจ็ดซึ่งหลวงพ่อบันนอนขานอกซึ่งวันนี้เป็นวันที่พระอาจารย์ไปศาลไปเยี่ยม แต่หลวงพ่อก็ไม่มีแรงที่จะต้อนรับประจาปยสารก็ได้เขียนข้อเขียนกันหน่อยหลวงพ่อก็นอนต่อนอนก็มีทางอาจารย์ไปไประชุมกันจัดการไงกับเรื่องหลวงพ่อป่วยซึ่งวันนั้นก็ถ่ายรูปเป็นเรื่องเวลาวได้อยู่ถือเป็นอนุวาพี่สามแล้วมาวันอังคารที่17มิถุนายนวันนี้หลวงพ่อจะเริ่มมีแรงอีกครั้งหนึ่งจังหวะที่อ้ำมาไปวัดพอดีวันนั้นน่ะหลวงพ่อ นั่งข้างนอกแล้วหลวงพ่อออกมาเดินเล่นเดินคู่กับหลวงตากลมแล้วก็ยิม้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ยกมือหลวงตากลมชูด้วยไปดูที่เฟซบุ๊กอาตมานะจะเห็นภาพนี้เป็นภาพที่หลวงพ่อเริ่มมีแรงซึ่งแต่ละคนก็หัวเราะทุกคนวันนั้นในภาพแล้วก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของหลวงพอ่อเขาเขียนให้อยู่วัดปผัวทอง หลวงพ่ออยู่วัดหัวทองเนี่ยนับตั้งแต่วันที่ยี่หกมีนาคมจนถึงวันที่สิบเจ็ดมิถุนายนเนี่ยใช้เวลาแปดสี่วันแล้วพอวันลูกขึ้นตอนเย็นวันพุธที่สิบแปดมิถุนาหลวงพ่อก็ย้ายมาอยู่วัดป่าสุกตะซึ่งก็สร้างความคึกคักกับชาววัดป่าสุกโตะเหมือนกันลูกศิษย์ลูกหาก็ช่วยทำความสะอาดกูดทำความสะอาดอนาบริเวณเนี่ยเพื่อต้อนรับหลวงพ่อคือเย็นวันนั้นเน่ะ อัลมาก็มาดักถ่ายรูปหลวงพ่ออยู่ก้าวแรกที่หลวงพ่อลงประตูรถลงมาเนี่ยหลวงพ่อยกมือไหว้สถานที่นะหลวงพ่อจากวัดป่าสุโกโตเดี๋ยไปห้าเดือนกว่าหลวงพายิ้มแย้มแจ่มใสในภาพเดี๋ยจะมีอาจารย์โนตอาจารย์ตุ้มเดินจูงหลวงพ่อขึ้นมาหลวงพ่อเดินไหววันนั้นสองวันนี้ยังแข็งแรงวันที่สิบเจ็ดกับสิบแปดเนี่ยเป็นวันที่อัลมาสามารถสร้างอัลบั้มรูปลงเฟซบุ๊กแบบเป็นทางแบบชัดเจนโดยเฉพาวันที่สิแปด ออกมาตั้งชื่อว่าหลวงพ่อกับวัดป่าสุกโตระบั้นี้จะมีคนมาแสดงความเห็นมากมายคนมาให้กำลังใจหลวงพ่อมากแต่แล้วหลังจากนั้นอีกประมาณสามวันคือวันที่ยี่เอ็ดวันเสาร์ที่ยี่เ็ดมิถุนายนวันนั้นก็เป็นวันที่หลวงพ่อมีแรงและอยากชมชมอนาบริเวณของวัดแม่ชีพิวิรีบ โทรบอกอนามาบอกเร่เร่ เ, ร, เ, ร, เ, ร, เ, ร, เ ร, รีบมาถ่ายรูปหลวงพ่อซึ่งอนามาถ้าวันนั้นไม่ชีพี่วิไม่ไม่โทรก็ไม่ไม่ได้ถ่ายหรอกเพราะว่าอยู่ในกูดตร้องรีบออกมาด่วนเลยฝากองได้รีบออกมาซึ่งเหตุการณ์วันนั้นเขาฮัาู่ฉุนระหูมากพ่อทํางานแบบกระทันหันรถกรอ๊อกก็เคลื่อนไปเรื่อยๆคือหลวงพ่อพอนั่งรถกรอ๊อกรถก๊อกก็ขับมาเนี่ยทางหน้ากูดอบามาเลี้ยวซ้ายมาทางสาระน้ําสักพังหลวงพ่อก็เดินลงรถ มาชมต้นไม้แล้วก็พยายามจะแกะเ ถ, ถาวันออกจากต้นไม้ซึ่งภาพเอาเนี่ยะมาถ่ายอยู่ถ่ายภาพตั้งแต่ต้นเลยหลวงพ่อห่วงต้นไม้มากเห็นว่าจะพืชเนี่ยจะพยายาไปแกะออกซึ่งโยมหมู่ก็ห้ามไว้คือเริ่มบางจุดหลวงพ่อก็เดินลงพอลงอยู่รถแล้วก็เดินชมจะมีจุดพักเป็นระยะระยะมาพักอีกทีก็เนี่ยตรงหัวโคง้งหัวโค้งหน้าสํงงานักงาน ใจรักขอแต่รักอัน大妈ก็ได้ถ่ายรูปไว้อีกหลังจากนั้นก็นั่งรถไปทางหอไปทางลาดหินโคง้งรู้สึกช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีการเก็บอารมณ์เข้มญาติโยบดีลาดหินโค้งเนี่ยค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าไม่นึกว่าหลวงพ่อจะมาก็รีบออกมากราบหลวงพ่อเป็นแถวหลวงพ่อก็เดินไปที่ลาดหินโคง้งมีหลวงตากรมไปด้วยวันนั้นอัน大妈ลืมเล่าของหลวงตากรม ก็เป็นภาพที่น่ารักซึ่งเหตุการณ์อันนี้นมาบันทึกรูปไว้หมดแต่ก็เป็นงานที่เร็วตัดตัดใจไวมากพาอ่อมาเนี่ยต้องต้อ ง, องจะต้องเร็ ว, วลรถกอล์ฟบางช่วงต้องไปดักหน้าถ่ายถ้าช้าถ่ายรูปไปได้ไม่ทันซึ่งก็ได้ภาพค่อนข้างเยอะอยู่วันนั้นหลวงพ่อหลังจากชมลาหินโค้งแล้วมีญาติโยมประกาบแล้วก็ขึ้นรถย้อนกลับอันนี้ก็ผ่านมาทางโรงครัว ซึ่งทางโรงครัวก็มีแม่แต๋วแม่ชีแต๋วแล้วก็ญาติโยมที่อยู่ใโรงครัววิ่งออกมาต้อนรับเป็นกันวิ่งมากราบซึ่งรถก็จอดตรงหัวโคง้งหัวโค้งเนี่ยระหว่างโรงครัวกับขอบสะแต่ก็เป็นช่วงระยะเวลาที่ไม่นานเท่าไหร่แต่ละคนได้กราบหลวงพ่อ บ, บวกมือทักทายกับทุกคนเก็ อ, อันนี้เป็นภาพที่น่ารักแล้วหลังจากนั้นอาจารย์รถก็พาหลวงพ่อเนี่ยกลับโดยโดยชม ขบสัพเรื่อยๆวิ่งตรงมาทางประตูรั้วแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวขวา ม, มาแล้วก็กลับกลับกุฏิไปซึ่งวันนั้นอามาสามารถถ่ายภาพหลวงพ่อเนี่ยแบบเป็นเรื่องเป็นราวคือเราเราใช้ชื่อว่าหลวงพ่อชมวัดป่าสุกโตซึ่งก็ทำให้คนดีใจเมื่อกีนนะว่าหลวงพ่อมีแรงอีกแล้วแต่หลังจากนั้นหลวงพ่อก็หมดแรงอีก หมดแรงไม่สามารถถ่ายรูปได้แล้วต้องนอนนอนอยู่ในกุฏิร่างกายก็อ่อนแรงลงไปเรื่อยเพราะช่วงนี้หลวงพ่อเดินหลวงพ่อใช้พลังที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเพราะหลวงพ่อมฟความผูกพันกับวัดมากพอใช้แรงไปเยอะร่างกายกส็สูญเสียพลังพอตอนนี้หลวงพ่ออยู่ก็อยู่ในอริยบทนอนมากกว่ามันเขาได้ออกมาข้างนอกแล้วตอนนี้พอมาถึงวันเสาร์ที่ห้าก ร, รกฎาคม หลวงพ่อปามโมทถ้าได้พาคณะมากราบหลวงพ่อซึ่งวันนั้นอามาก็ได้บันทึกภาพไว้ก็มารอที่กุฎหลวงพ่อหลวงพ่อก็กางมุ้งกดอยู่ข้างนอกแต่หลวงพ่อก็ไม่มีแรงนะฮะวันนั้นก็ไม่มีพลังอะไรหลวงพ่อประโมทท่านก็นั่งรออยู่ต้องนานโดยที่ไม่กวนหลวงพ่อเลยอนมาก็นก็ดั่งรอถ่ายรูปตรงนั้น จนจนพักใหญ่ๆอะ่ะหลวงพ่อถึงเริ่มตื่นตอนแรกก็ไม่ได้เปิดมุ้งกดอะ่ะก็คุยกับอาจารย์บาโมดทางใช้ภาษามือแล้วก็ข้อเขียนคือหลวงพ่อเขียนอาจารย์บาโมดก็เขียนข้อเขียนก็ไม่ยาวเท่าไหร่ซึ่งข้อเขียนอันนี้มันมาก็ลงใน a c e b o o k แล้วสักพักหนึ่งหลวงพ่อก็เปิดมุ้งกดออกมาซึ่งเป็นช่วงสั้นๆหลวงพ่อก็ประดมมือ ยกมือรับไหวอาจารย์ประโมทแล้วก็ยิ้มทักทายบกไบบกมือ ส, ะสะักาักหนึ่งก็ปิดปิดมุ้งนอนต่อเพราะหลวงพ่อไม่มีแรงวันนั้นแต่มาก็ยังดีนะดีใจนะที่ว่าหลวงพ่อสามารถออกมาเขียนข้อเขียนอาจารย์ประโมทได้ถ้าไม่อย่างนั้นวันนั้นถ้าหลวงพ่อลุกไม่ไหวไม่ได้ออกมาทักทายหรือหรือเขียนก็จะเป็นการที่ว่าอาจารย์ประโมทมาเยี่ยมฝ่ายเดียว ก็จะไปอีเหตุการ์อีกแบบหนึง่งแล้วหลวงพ่อปรมโมดก็ไปพูดถึงหลวงพ่อที่ลาหิงคงเล็กน้อยเพราะท่านต้งรีบกลับท่านก็บอกว่าหลวงพ่อเนี่ยมีจิตยิ้มเองให้ลูกศิษย์เนี่ยทำความเพียนนะเดินตามรอยหลวงพ่อซึ่งมาก็แ บ, บบันทึกรูปไว้เหมือนกันลูกศิษย์ของท่านบางส่วนก็นำไปลง u t u b e เป็นวิดีโอซึ่งเมื่อไม่กี่วันก่อนเอามาก็แชร์มาที่หน้า Facebook ถ้าใครสนใจก็ตามลิงก์ไปชมได้แล้วต่อมาแต่หลวงพ่อช่วงนี้ก็ยังไม่มีแรงนะรูปที่อาณาาลงเฟซบุ๊กเนี่ยก็จะเป็นรูปที่ถ่ายฉับเฉวยไม่ได้สร้างเปตตาบั้มแบบว่ามาเดินผ่านมากุติคือหลวงเพื่อื้อตัวของอามาาลจะไปกุติหลวงพ่อทุกวันแหละไปเจอหลวงพ่อออกมาข้างนอกก็จะถ่ายรูปไว้แต่หลวงพ่อนอนเราก็ไม่ไปกวนไม่ไปนั่น ไม่เคยได้ถ่ายจะถ่ายเฉพาะรูปที่หลวงพ่อออกมาข้างนอกหรือหลวงพ่อมีแรงแล้ววันเสาร์ที่12กรกฎาคมวันที้วันเข้าพรรษาทางโทรทัศน์ไทย PBS ก็มาถ่ายทอดสดซึ่งหลวงพ่อก็ไม่มีแรงเหมือนกันนะแต่ว่าหลวงพ่อเนี่ยจะมีแรงช่วงบ่ายเพราะช่วงนั้นพอทางโทรทัศน์ถ่ายทอดสดจบจบแล้วคณะขออาจารย์คันชิตก็ประกาบหลวงพ่อ ซึ่งอามาก็ขึ้นไปกระจายขันชิตตอนนั้นหลวงพ่อก็ออกมาต้อนรับนั่งนั่งคุยซึ่งหลวงพ่อยิ้มแย้มแจ่มใสามากเลยเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยมีความสัมพันกับอาจารย์ชิตคุยกันเองมากแล้วก็เขียนเข้าเขียนเขียนไปเขียนมาแถมหลวงพ่อยังยกนิ้วบอกอนามาบอกอาจารย์ชิตเนี่ยยกนิ้วโป้เลยแล้ววันนั้น ช, ชมพญานิชให้อนาภาฟังยกนิ้วโป้ยกนิ้วโป้ ซึ่งวันนั้นเป็นวันที่หลวงพ่อดูจะมีความสุขซึ่งอานมาก็บันทึกภาพไว้เหมือนกันแล้วก็นำมาลงแล้วหลังจากนั้นห่างช่วงก็หลวงพ่อไม่มีแรงอีกแล้วไม่มีแรงหลวงพ่อจะนอนอยู่ในกุฏิจะเป็นส่วนใหญ่จะมามีแรงอีกครั้งหนึ่วันพฤหัสที่24กรกฎาคมซึ่งวันนั้นเป็นจังหวะที่หลวงพ่อเนี่ยจะไปวัดผัวทองอาตมาฉันอาหารเช้าเสร็จ เพอเดินผ่านมาพอดีก็เลยขึ้นมาที่กุฏิหลวงพอ่อหลวงพ่อออกมานั่งข้างนอกแล้วค่อยๆเดินแต่มาถ่ายรูปทานพอดีจังหวะวันนั้นโดยต้องไม่ไม่มีใครไปรยุงหลวงพ่อเลยนะหลวงพ่อเดินลงมาโดยมีอาจารย์โนต้ตเดินตามหลังแล้วถามาก็ได้ถ่ายรูปหลวงพอ่อหลวงพ่อก็ชี้นู่นชี้นี่เดินลงข้างล่างแล้วสามารถไปเปิดปิดประตูรถเองได้ด้วย วันนั้นเป็นวันที่ดเหลวงพ่อดูเหมือนแข็งแรงเดินเดินเองได้เหมือนอิสระแล้วก็ไปหัวทองแล้วกลับมาซึ่งอ่านมาก็สามารถสร้างปอิบัลบั้มรูปได้ใช้ชื่อว่าหลวงพ่อเริ่มมีแรงแล้วแต่หลังจากนั้นหลวงพ่อก็หมดแรงเหมือนเดิมแถมหมดหนักกวเก่าอีกทีนี้หมดแรงจนมาถึงวันเกิด แต่บันเกิดหลวงพ่อนี่หลวงพ่อก็ไม่มีแรงนะหลวงพ่อนอนในกุฏแล้วแหละแต่พวกลูกศิษย์ลูกหาในเฟสเนี่ยก็จะแต่งกอนเพื่อเป็นอัจฉริยะบูชาแก่หลวงพ่อกันวัถเสือบวันเกิดหลวงพ่อวันที่2สิงหาโดยทางวัดป่าสุขโตและวัดผู่หทองผูหลงก็ไปปลูกป่าบูชาคุณหลวงพ่อก็เลยวันนั้นก็เลยไม่ได้ทําวัด หลวงพ่อแต่มาเลือเล่อนมาทําวันที่สิบสามแทนวันพุธที่สิบสามสิงหาคมซึ่งวันนี้วันธรรวัดหลวงพ่อก็ถือว่าเป็นวันนี้คึกคักตอนแรกอาลมาก็หนักใจเป็นการกลัวหลวงพ่อจะไม่มีไม่มีแรงอาจจะต้องอยู่ในท่านอนแต่หลวงพ่อกลำมอึดขึ้นมามีแรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสามารถรับรับผ่านดอกไม้ที่อาจารย์อาจารย์ไปศานแล้วก็คณะลูกศิษย์เนี่ย คือมีแม่ชีทองอยู่แม่ชีแต๋วเข้าไปถวายได้แล้วก็บกแล้วก็ยกลับว่า ย, ยกมือทักทายคนนี้คนนี้และหลวงพ่อก็นอนต่อซึ่งมันก็ถือว่าสำคัญวันหนึ่งที่มาได้ถ่ายรูปหลวงพ่อลงเฟซบุ๊กเพื่อให้การยามิตรได้ชมและหลังจากนั้นหลวงพ่อก็หมดแรง จนมาถึงวันที่สิบห้าสุขที่สิบห้าสิงหาคมซึ่งถือว่าเป็นอัลบั้มภาพคักสุดท้ายในชีวิตหลวงพ่อที่อัลมาถายในขณะที่มีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่คือวันนั้นเป็นวันที่อาจารย์เพรารท่านเดินไปที่กุฎอัลมก็เดินตามไปก็มียะอาจารย์ก็ไปยื่นข้อเขียนให้หลวงพ่อเขียนซึ่งหลวงพ่อก็เพอินวันนั้นนอนนอนเล่นอยู่ที่ตรงที่หลวงพ่อนอนประจําอะที่ที่ข้างนอกกุฏิหลวงพ่อเอง หันหันหน้ามาทางเนี่ยสาระไก่อาม่าก็ไปถ่ายมาประมาณสี่ห้ารูปมั้งไม่เยอะแล้วถือว่าเป็นอัลบั้มสุดท้ายในชีวิตหลวงพ่อเพราะหลังจากนั้นหลวงพ่อก็ไม่ได้ออกมาอีกเลยส่วนมากจะอยู่ในกุุมากกว่าจะไม่ค่อยมีแรงแล้วตอนนี้แล้วอาม่าจะม า, าถ่ายภาพหลวงพ่อเนี่ยอีกครั้งหนึ่งวันเสาร์ที่ยี่บสามช่วงประมาณเกือบเกือบเจ็ดโมงเช้า พอมาขับจากบิธาบาทซึ่งวันนั้นเป็นวันที่หลวงพ่อลัทังขาร เ, เดินกลับเดินผ่านกุฏิหลวงพ่อก็เห็นแปลกๆแล้วตั้งแต่เช้าวันนั้นน่ะช่วงประมาณตีห้ากว่าก็เห็นไฟเปิดสว่างแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เดินไปถามนะก็คิดว่าอาจจะไม่มีอะไรเท่าไหร่คือไม่รู้ว่าหลวงพ่อลัทังขานแล้วพอหลวงพ่อละสังขานประมาณรู้สึกประมาณตีสี่ห้าสิบหรือสี่บเก้าเนี่ยทึ่เรามามารู้ก็ตอนหลังจากขับจากบิธาบาท ตอนน้ามาก็ไม่ได้คิดจะขึ้นกุฎหลวงพ่อแต่มีลางสังหรณ์อะไรบางอย่างว่าควรจะไปด่วนก็เลยเดินขึ้นไปพปถึงก็เห็นผู้คนอยู่กันแต่ก็ไม่มีใครเสียใจเท่าไหร่เพราะว่าแต่ละคนอาจจ ะ, อาจจะเคยฝึกสติมาก็เลยเก็บอาการได้อันว่าเข้าไปในกุฎแล้วก็ถ่ายรูปหลวงพ่อรู้สึกประมาณสิบรูปเมื่อตอนนั้นคือถ่ายไว้ก่อนเพราะถ้าเราไม่ถ่ายเนี่ยเอาลงลงแล้วจะไม่มีโอกาสได้ถ่ายเลย แล้วอย่างหนึ่งที่กูหลวงพ่อแสงไม่ค่อยพอถ้ากล้องไม่มีความละเอียดจะถ่ายไม่ได้เลยถ่ายไปจะมืดและภาพแตกไอ้มาก็ถ่ายรูปหลวงพ่อเสร็จก็รีบลงไปโพสต์ในเฟซบุ๊กทันทีขนาะที่โพสใหม่ๆปุ๊บผู้คนที่ไม่รู้ข่าวหลวงพ่อเนี่ยก็เริ่มตื่นตัวกันบางคนอยู่เชัยภูเขารีบมาเดี๋ยวนั้นเลยหรืออยู่อยู่แก้งคอเนี่ยซึ่งกระสือว่าสร้างกระแสแรงมากกว่านั้นเพราะหลวงพ่อเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ที่มี ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนับถือมากมายทั่วประเทศเพอคนลูกข่าวคนก็มาแสดงความเสียใจวันนั้นก็ถือว่าเป็นมีคนมาคอมเมนต์เฉพาะคอมเมนต์ในอัลบั้มที่อัดมาลงเนี่ยสามพันกว่าคอมเมนต์ซึ่งเราอ่านไม่ไหวอ่ะและหลังจากนั้นอัดมาก็ได้ถ่ายรูปถ่ายรูปช่วงที่อาจารย์เป็นสารนำคณะพระและแม่ชีและเติธรรมเนี่ยมากลาบขอเขามาศพหลวงพ่อ แล้วก็หลังจากนั้นกเคลื่อนศพไปที่วัดผูกขอทองบรรจุเข้าโรงซึ่งเรื่องราวหลวงพ่อเนี่ยเป็นการแสดงสัจาธรรมให้เราเห็นว่าตั้งแต่ตลอดชีวิตของหลวงพ่อ78ปีกับ11วันได้แสดงประสบะการณ์มากมายผ่านฟา์าทุกยากผ่านฟา์าลำบากหลวงพ่ออยู่วัดผูกขอทองเนี่ย้ทที่มาบันทึกไว้ก็84วันแต่อยู่วัดป่าสุกโตเนี่ย 66กสิบหกวันรวมแล้วที่หลวงพ่อการจากหงคอเุลาพัเนี่ยร้อยหสิบวันพอดีเลยร้อยห้าสิบวันอันนี้อมาจดไว้เพราะว่าพอเรามาพูดอย่างนี้ต้องมีหลักฐานม า, มาพูดเล่นไม่ได้ธรรมดานมาพ่อโจทยเราเวลาเทศมีครั้งนี้เป็นเรื่องเวลาเลยต้องจะต้องจดมามาพูดหลวงพ่อแสดงสัจธรรมให้เราเห็นครบความแก่ความเจ็บและความตาย ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงหรือหนีพ้นได้เลย ท, ทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายบางคนก็ต้องตายก่อนีจะถึงวัยเรื่องอายุในกําหนดไม่ได้หรอกบางค น, นตายตั้งแต่ยังเด็กหนุ่มสาวก็ยังมีบางคนก็มาตายตอนแก่อันนี้เป็นเสรีธรรมของชีวิตเลยความเจ็บป่วยก็เป็นการความเจ็บป่วยทุกคนต้องประสบอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยไม่มีใครหลีกเลี่ยงพ้นเหมือนกันเนันจะเกิดกับเราช่วงไหนเท่านั้นสิ่งีเราทําได้ก็คือไม่ละหมาดในชีวิต ขนาดที่มีชีวิตยอยู่เนี่ยเราต้องสะสมคุณงามความดีไว้ให้มากๆก่อนที่เราจะหมดโอกาสซึ่งหลวงพ่อก็ตลอดชีวิตเนี่ยก็ทำให้ดูอยู่ให้เห็นคือหลวงพ่อเนี่ยจะเน้นทำให้ดูอยู่ให้เห็นมากกว่าสอนนะซึ่งเราเห็นหลวงพ่อมีความสุขมีความเย็นเนี่ยใครเข้าใกล้ก็มีความสุขด้วยถ้าใครไปไวัดหัว่ทองเนี่ยจะเห็นต้นีโิโค่ะซึ่ง มีป้ายอยู่ตวงที่ใครเห็นแล้วสะดุดตาเลยป้ายสีฟ้าเขียนว่าอธรรมาคือนิโคดใหญ่ใบดกกิ่งก้านปกเบื้องบนคนอาศัยเชิญพักผ่อนให้หายร้อนและจึงไปจะสุกกายสุขใจรู้ซึ้งถึงพระธรรมอันนี้คือความอบอุ่นที่เห็นป้ายนะแล้วก็หลวงพ่อก็เขียนธรรมะอะไรไว้สั้นๆไว้ที่ผัวทองเยอะอยู่เหมือนกันถ้าใครไปดูจะเห็นคือตลอดชีวิตหลวงพ่อเนี่ยสร้างประโยชน์มาตลอด ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเป็นตัวอย่างให้ดีกับลูกศิษย์ตอนที่หลวงพ่อป่วยหลวงพ่อก็ไม่ได้ทุกมีแต่คนไปเฝ้าไปเยี่ยมนหละทุกมีหลายครั้งเนี่ยที่ว่าคนป่วยต้องมาปลอบใจคนไม่ป่วยก็มีนั้นชีวิตหลวงพ่อเนี่ยจึงเป็นชีวิตที่ควรเอาเยี่ยงอย่างเพราะหลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่คนนับถือหรือกล่าวแบงเดียวคนด่าหลวงพ่อก็มีคนดินทาก็มีสมัยนะั้นหลวงพ่อก็ผ่านการคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคอมมินิสต์มั่งเป็นแนวร่วมมั่ง รัฐบาลก็ไม่ไว้ใจฝ่ายคอมนิสก็ไม่ไว้ใจสุดแล้วหลวงพ่อเนี่ยจึงคอมนิสก็ไม่ไว้ใจทั้งทั้งสองฝ่ายยืนยืนอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากแต่หลวงพ่อก็ผ่านมาได้ผ่านวิกฤตต่างๆมาผ่านการที่วัดก็เคยถูกยึดถูกถูกเรื่องราวแรงๆทุกเรื่องก็จบลงได้ดีเพราะว่าหลวงพ่อมีวิธีแก้ปัญหาคือหลวงพ่อจะมีจะมีวิธีแก้ปัญหาคือไม่เอาผิดไม่เอาถูกเห็นแล้ว ไม่เป็นอะไรกับอะไรซึ่งเราจะได้ยินหลวงพ่อพูดบ่อยรู it, ้ซื่อเห็นแล้วไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยถ้าจะตอดชีวิตหลวงพ่อเลยจะเสะจะพูดได้เรื่องเขาเนี่ยอันมาก็เห็นว่าพูดมานี่ก็สมควรกับเวลาก็ขอรู้โมทนาบุญให้ใหกับญาติโยมทุกคนีความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปขอจบลงแค่นี้นะครับ